ส่วนพระเจ้าอังคติราชได้ทรงสดับนิรยกถาของพระมหาศัตน์นี้ก็มีพระหฤทัยสลดเมื่อจะทรงสแสวงหาที่พึ่งกับพระมหาสัตย์จึงตรัสว่าข้าพระเจ้าแทบจะล้มเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดข้าพระเจ้าหลงสำคัญผิดจึงไม่รู้จักทิศท่านฤาษีข้าพระเจ้าได้ฟังคาถาภาษิทธิ์ของท่านแล้ว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 มหาภัยมีแก่ข้าพเจ้ามหาจะมีพยาได้แก่และนิระยะภัยใหญ่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าแล้วคําว่าดังหนึ่งเกาะเป็นที่อาศัยในห่วงมหาสมุรทรทีปังโวเคความว่าเป็นดังเกาะในห่วงน้ําฉะนั้นมีคําอธิบายว่าท่านฤาษีท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า เหมือนท้องน้ำเมื่อก่ายเร่าร้อนเหมือนเกาะของบุคคลผู้มีเรือที่อับปางไม่ได้ที่พึ่งในห่วงน้ำหรือในมหาสมุทรเหมือนแสงสว่างที่โชดช่วงแกผู้ไปในที่มืดข้อว่าในการก่กนข้าพเจ้าได้กระทำความผิดไว้แน่แท้อติตมัทธาอปาราธิตังมยาความว่าข้าพเจ้าได้กระทาความผิด อันเป็นกรรมชั่วไว้ในอดีตล่วงกุศลทำแต่อกุศลเท่านั้นโดยส่วนเดียวทีนั้นเมื่อพระมหาสัตว์จะทูลบอกทางอันบริสุทธิ์แก่พระเจ้าอังคติราชนั้นแสดงพระราชาในปางก่อนผู้ปฏิบัติชอบโดยยกเป็นอุทาหรณ์จึงกล่าวว่าพระราชาหกพระองค์นี้คือเท้าทัตรศเท้าเวสสามิตเท้าอัตถกะ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 ราชบุรุษ ท, ทั้งหลายจงประกาศดังนี้ในพระนครของพระองค์ทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้ามหาบาพิษอย่าได้ใช้คนแก่เท่าและโคม่าอันแก่ชราเหมือนดังกลอนและจงพระราชทานเครื่องบริหารแก่บุคคลที่เป็นกำลังเคยกระทำความดีไว้เท่าเดิมเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเหล่านี้เอเตจะ ความว่าพระราชาทั้งหกเหล่านั้นคือเท้าทัตรศเท้าวเวสะสะมิตรเท้ทาอัฏฐกะเท้ายมะท ต, ติท้าอุรราสินนรเท้าศรีวิราชและพระราชาอื่นๆได้ประพฤติ ธ, ธรรมแล้วเข้าถึงสักกะวิสัยชั้นใดแม้พระองค์ก็พึงเว้นอธรรมพึงประพฤติ ธ, ธรรมชั้นนั้นคําว่าใครหิวโกชาโต ความว่ามหาบาพิษพวกราชบุรุษผู้ถืออาหารจงประกาศไปในวิมานในบุรีในราชนิเวศและในพระนครของพระองค์ว่าใครหิวใครกระหายดังนี้เพื่อประสงค์จะให้แก่พวกเหล่านั้นคำว่าใครปรารถนามาลาโกมาลังความว่าจงโฆษณาว่า ใครปรารถนามาลาใครปรารถนาเครื่องรูปไล้ใครปรารถนาผ้าสีแดงต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งจงให้ผ้าสีนั้นๆใครเป็นคนเปลือยกายจากนุ่งหม่มข้อว่าใครต้องการร่มในหนทางโกปันเถชัตตมาเทติได้แก่ใครจะกั้นร่มในหนทางคำว่ารองเท้าปาทุกาจะ ได้แก่และใครจะปรารถนารองเท้าอ่อนนุ่มและสวยงามคำว่าคนแก่เท่าชินนังโปสังความว่าผู้ใดเป็นอุปถากของท่านจะเป็นอมาตะหรือผู้อื่นที่ทำอุปการะไว้ก่อนในเวลาที่พวกเขาร่ำคราเพราะชาราไม่สามารถจะทำการงานได้เหมือนในก่อนแม้โคและม้าเป็นต้น ในเวลาแก่ก็ไม่สามารถจะทำการงานได้แม้ในบรรดาโคและม้าเป็นต้นแม้ตัวเดียวท่านก็อย่าใช้ในการงานทั้งหลายเช่นในกรอนจริงอยู่ในเวลาแก่สัตว์เหล่านั้นไม่สามารถจะทำการงานเหล่านั้นได้เครื่องบริหารในคำว่าปริหารัจะนี้ท่านกล่าวว่าสักการะ ท่านอธิบายไว้ว่าก็ผู้ใดเป็นกำลังของท่านคือเป็นผู้กระทำอุปการะมาก่อนโดยเป็นเจ้าหน้าที่ท่านพึงให้การบริหารแก่เขาเหมือนก่อนมาจริงอยู่อสัตบุรุษในเวลาที่บุคคลสามารถเพื่อจะทำอุปการะแก่ตนย่อมทำความนับถือในเวลาที่เขาไม่สามารถก็ไม่แลดูบุคคลผู้นั้นเลยส่วนสัตบุรุษ ในเวลาสามารถก็ดีในเวลาไม่สามารถก็ดีย่อมกระทำสักการะเหมือนอย่างนั้นแก่เขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นแม้พระองค์ก็พึงกระทำอย่างนั้นแหลด้วยประการชนี้แล้วบัดนี้พระมหาสัตว์ครั้นแสดงฐานะกถาและศีลกถาถวายพระราชาแล้วบัดนี้เพราะเหตุที่พระราชานี้ ย่อมยินดีใน พ, นานาในพนนันนาโดยเปรียบเทียบด้วยรถในอัตภาพของตนเพราะเหตุดังนี้นั้นเมื่อจะแสดงธรรมโดยเปรียบเทียบด้วยรถอันให้ความใคร่ทั้งปวงจึงกล่าวว่ามหาบาพิษจงทรงสำคัญพระวรกายของพระองค์ว่าเป็นดังรถอันมีใจเป็นนายสารถีกระปี้กระเบาเพราะปราศจากทีนมิทธะอันมีอวิหิงสาเป็นเพลา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 มีการกล่าวคำอ่อนหวานเป็นเครื่องรสอันเกลี้ยงเกล่ามมีการกล่าวพอประมาณเป็นเครื่องผูกรันมีศรัทธาและอโลภเป็นเครื่องประดับมีการถ่อมตนและกราบไหว้เป็นทูปมีความไม่กระด้างเป็นงอนรสมีการสํารวมศีลเป็นเชือกขันชนะมีความไม่โกรธเป็นเครื่องกันการ ก, า ร, กระทบกระทั่งมีกุศลกรรมเป็นสเสวตฉัด มีพาหุสัจจะเป็นสายทาบสายพานมีการตั้งจิตมั่นเป็นที่มั่นมีความคิดเครื่องรู้จักการเป็นไม้แก่นมีความแกล้วกล้าเป็นไม้ค้ำสามขามีความประพฤติทธอรมตนเป็นเชือกขันแอกมีความไม่เย่อหยิ่งเป็นแอกเบามีจิตไม่หดหูเป็นเครื่องลาดมีการครบบุคคลผู้เจริญเป็นเครื่องกำจัดธุรี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 คือพระวรกายของมหาบาพิษ ท, ที่กำลังแล่นไปในรูปเสียงกลิ่นรสพระองค์นั้นแหล่เป็นสารถีถ้าความประพฤติชอบและความเพียรมั่นคงมีอยู่ด้วยยานนี้รถนั้นจะให้สิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่างจะไม่นำไปบังเกิดในนรกบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าจงสำคัญว่าเป็นดังรถรถสัญญาโต ความว่ามหาบาพิษขอพระองค์จงสำคัญพระวรกายของพระองค์ว่าเป็นดังรถคำว่าอันมีใจเป็นนายสารถีมโนสารถิโกได้แก่ประกอบด้วยกุศลจิตคือใจเป็นนายสารถีคำว่ากระปี้กระเป๋าละหุได้แก่เป็นผู้เบาเพราะปราศจากทีณมิทะ คำว่าอันมีอวิหิงสาเป็นเผล่าที่เรียบร้อยดีอวิหิงสาสาริตตักโขได้แก่ประกอบด้วยเพล่าอันเป็นเครื่องแล่นอันสำเร็จเรียบร้อยทำด้วยอวิหิงสาคำว่ามีการบริจาคเป็นหลังขาสังวิภาคะปฏิจชะโทได้แก่ประกอบด้วยหลังขาอันสำเร็จด้วยการจำแนกทาน คำว่ามีการสำรวมเท้าเป็นกงปาทะสัญญ ะ, ะเนมิโยได้แก่ประกอบด้วยกงอันสำเร็จด้วยการสำรวมเท้าคำว่ามีการสำรวมมือเป็นกระพองหัตทสัญญ ะ, ะปัคขโรได้แก่ประกอบด้วยกระพองราวรถอันสำเร็จด้วยการสำรวมมือ คำว่ามีการสำรวมท้องเป็นน้ำมันหยอดกุดชิสัญญะมนับพันโตความว่าหยอดด้วยน้ำมันอันสำเร็จด้วยโภชนะพอประมาณกล่าวคือการสำรวมท้องคำว่ามีการสำรวมวาจาเป็นความเงียบสนิทวาจาสัญญะมะกูชโนได้แก่มีความเงียบสนิทด้วยความสำรวมวาจา คำว่ามีการกล่าวคำสัตย์เป็นส่วนประกอบรถที่สมบูรณ์สัจจะวากยะสมัตตังโคได้แก่มีการกล่าวคำสัตย์เป็นองค์รถบริบูรณ์ไม่บกพร่องคำว่ามีการไม่กล่าวคำส่อเสียดเป็นการเข้าหน้าไม้สนิทอเปสุญยะสุสัญญะโตได้แก่มีการไม่กล่าวคำส่อเสียด เป็นการเข้าหน้าไม้สัมผัสยางสนิทคำว่ามีการกล่าวคำอ่อนหวานเป็นเครื่องรสอันเกลี้ยกล่ำคิราสะขิละเนลังโคได้แก่มีการกล่าวคำอ่อนหวานหน่าคบเป็นสหายเป็นเครื่องรสอันเกลี้ยกล่ำไม่มีโทษคำว่ามีการกล่าวพอประมาณเป็นเครื่องผูกรัตมิตะพาณิสิเลสิโต ได้แก่มีการกล่าวพอประมาณอันสละสลวยเป็นเครื่องผูกรัดด้วยดีคำว่ามีศรัทธาและอะโลภะเป็นเครื่องประดับศรัทธาโลภะสุสังขาโรความว่าประกอบด้วยเครื่องประดับอันงามอันสำเร็จด้วยศรัทธากล่าวคือการเชื่อกำรรและผลแห่งกำรรและสำเร็จด้วยอะโลภะ คำว่ามีการถ่อมตนและกราบไหว้เป็นทูปนิวาตันชลิกุพพโรความว่าประกอบด้วยทูบรสอันสําเร็จด้วยความประพฤติอ่อนน้อมและสําเร็จด้วยอัญชลีกรรมแก่ผู้มีศีลคําว่ามีความไม่กระด้างเป็นงอนรสอัทธทะตาณตีสากโกความว่าไม่มีความกระด้างหน่อยหนึ่งเป็นงอนรส เพราะไม่มีความกระด้างกล่าวคือความเป็นผู้มีวาจาน่าคบเป็นสหายและมีวาจานำมาซึ่งความบันเทิงใจคำว่ามีการสํารวมศีลเป็นเชือกขันชนะศีละสังวรนัตธโนความว่าประกอบด้วยเชือกขันชนะกล่าวคือมีศีลห้าไม่ขาดและมีการสํารวมจกักขุนสีเป็นต้น คำว่ามีความไม่โกรธเป็นเครื่องกันการกระทบกระทั่งอักโกธนาะมนุกคาตีความว่าประกอบด้วยการไม่กระทบกระทั่งกล่าวคือความเป็นผู้ไม่โกรธคําว่ามีกุศลธรรมเป็นสเสวตฉัตรธรรมะปันดระฉัตโกได้แก่ประกอบด้วยสเสวตฉัตรอันขาวผ่องกล่าวคือ อุสนกรรมบททำสิบประการคำว่ามีพาหุสัจจะเป็นสายทา่าบพาหุสัจจะมุปาลํมโภได้แก่ประกอบด้วยสายทา่าบอันสําเร็จด้วยความเป็นพหูสูตรอันอิงอาศัยประโยชน์คําว่ามีการตั้งจิตมั่นเป็นที่มั่นทิติจิตตะมุปาธิโยความว่าประกอบด้วยเครื่องลาดอันยอดเยี่ยม หรือด้วยราชอาณจอันตั้งมั่นกล่าวคือจิตถึงภาวะมีอารมณ์เป็นหนึ่งอันตั้งมั่นด้วยดีโดยภาวะไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมคำว่ามีความคิดเครื่องรู้จักการเป็นไม้แก่นกาลัญยุตาจิตตะสาโร ค, ความว่าประกอบด้วยจิตคือด้วยกุศลจิตอันเป็นสาระอันรู้จักการแล้วจึงกระทากล่าวคือ ความเป็นผู้รู้จักการอย่างนี้ว่านี้การที่ควรให้ทานนี้การที่ควรรักษาศีลมีคำอธิบายว่ามหาบาพิษพระองค์ควรปรารถนาทับสัมภาระทั้งหมดตั้งต้นแต่ลิ่มแห่งรถและสิ่งอันบริสุทธิ์สำเร็จแต่สิ่งอันเป็นสาระชันใดรถนั้นก็ควรแก่การตั้งอยู่ได้นานฉันนั้นแม้รถ คือกายของพระองค์ก็เหมือนกันมีจิตอันหมดจดรู้จักการแล้วจึงกระทาจงประกอบด้วยกุศลสาระมีทานเป็นต้นคําว่ามีความแ ก, กล้าเป็นไม้คํำสามขาเวสารัชติธันดโกความว่าแม้เมื่อกล่าวในถ้มกลางบริสัทจงประกอบด้วยไม้สามขากล่าวคือความเป็นผู้แกล้า คำว่ามีความประพฤติถ่อมตนเป็นเชือกขันแอกนิวาตะวุติโยอตังโคความว่าประกอบด้วยเชือกผูกแอกอันอ่อนนุ่มกล่าวคือความประพฤติอยู่ในโอวาทจริงอยู่มาสินทบย่อมนำรถอันผูกไว้ด้วยเชือกผูกแอกอันอ่อนนุ่มไปได้สะดวกรถคือพระวรกายของพระองค์ก็เหมือนกัน อันผูกมัดด้วยความประพฤตในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายย่อมเล่นไปได้อย่างสะดวกคำว่ามีความไม่เย่อหยิ่งเป็นแอกเบาอนณตติมานยุโคละหุได้แก่ประกอบด้วยแอกเบากล่าวคือความไม่ทนงตัวข้อว่ามีจิตไม่หดหู่เป็นเครื่องลาดอลีนะจิตตะสันธารโร ความว่ารถคือพระวรกายของพระองค์จงมีจิตไม่หดหูไม่ท้อถอยเป็นเครื่องลาดด้วยกุศลมีทานเป็นต้นเช่นเดียวกับรถย่อม ง, งามด้วยเครื่องลาดอันโอราณสำเร็จด้วยงาชะนั้นข้อว่ามีการครบบุคคลผู้เจริญเป็นเครื่องกำจัดทุลีวุธิเสวีระโชหะโตความว่า รถเมื่อแล่นตามทางที่มีทุลีอันไม่เสมอเกลื่อนกลนไปด้วยทุลีย่อมไม่งามเมื่อแล่นโดยหนทางสม่ำเสมอปราศจากทุลีย่อมงดงามฉันใดแม้รถคือพระวรกายของพระองค์ก็ฉันนั้นดำเนินไปตามทางตรงมีพื้นสม่ำเสมอเพราะคบกับบุคคลผู้เจริญด้วยปัญญาจึงจะขจัดทุลีได้ พ่อว่ามีสติของนักปราดเป็นประตักสติปโตโททีรัสะความว่าสติตั้งมั่นดีของนักปราดคือบัณฑิตเป็นประตักที่รถของพระองค์นั้นพ่อว่ามีความเพียรและความพยายามเป็นสายบางเฮียนทิติโยโคโจะรัสมิโยความว่ามีความตั้งมั่นกล่าวคือ มีความเพียรไม่ขาดสายและความพยายามกล่าวคือความประกอบในข้อปฏิบัติอันเป็นประโยชน์จัดเป็นบังเหียนอันมั่นคงที่ร้อยไว้ในรถของพระองค์นั้นเพราะว่ามีใจที่ฝึกฝนดีแล้วเป็นดังม้าที่ฝึกไว้อย่างสม่ำเสมอเป็นเครื่องนำทางมโนทันตังปัทังเนติสมะทันเตหิวาชิพิ ความว่ารถย่อมแล่นไปนอกทางด้วยมา้าที่ฝึกไม่เชื่องแต่รถที่เทียมด้วยมา้าที่ฝึกหัดดีแล้วฝึกฝนดีแล้วย่อมแล่นไปตามทางตรงทีเดียวฉันใดแม้ใจของพระองค์อันฝึกแล้วก็ฉันนั้นย่อมละทางชั่วไม่เสพทางผิดถือเอาแต่ทางถูกฉันนั้นเพราะฉะนั้นจิตที่ฝึกดีแล้วสมบูรณ์ด้วยอาจารย ยังยังกิดแห่งม้าสินทบแห่งรถคือพระวรกายของพระองค์ให้สำเร็จคำว่าความปรารถนาและความโลภอิจฉาโลโภะยะความว่าในความปรารถนาและความโลภเหล่านั้นความปรารถนามีในวัตถุที่ยังมาไม่ถึงและความโลภมีในวัตถุที่มาถึงแล้ว เพราะฉะนั้นความปรารถนาและความโลภนี้จึงชื่อว่าเป็นทางผิดเป็นทางคดเป็นทางไม่ตรงย่อมนำไปสู่อบายถ่ายเดียวแต่การสํารวมในศีลอันเป็นไปด้วยอํานาจแห่งกุศลกรรมบทสิบหรือมักมีองค์8ชื่อว่าทางตรงทางตรงนั้นจงเป็นหนทางแห่งรถคือพระวรกายของพระองค์คำว่าในรูป รูปเเป้ความว่าปัญญาจงเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนรถคือพระวรกายของพระองค์ผู้แล่นไปถือเอานิมิตในกามคุณมีรูปเป็นต้นอันเป็นที่ชอบใจเหล่านั้นเหมือนประตักสําหรับเคาะห้ามม้าสินทบแห่งราชรถที่แล่นออกนอกทางก็ปัญญานั้นคอยห้ามรถคือพระวรกายนั้น จากการแล่นไปนอกทางให้ขึ้นสู่ทางตรงคือทางสุจริตบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในรถคือพระวรกายของมหาบาพิตรตัะอัตตาวะความว่าก็ชื่อว่านายสารถีอื่นย่อมไม่มีในรถคือพระวรกายของพระองค์นั้นพระองค์นั้นแหละเป็นสารถีของพระองค์เอง ข้อว่าถ้ามีอยู่ด้วยยานนี้จะเจอเตนะยาเนนะความว่าพอถวายพระพรถ้ารถใดมียานเป็นเครื่องเล่นไปเห็นปานนั้นมีอยู่ข้อว่าความประพฤติ ช, ชอบและความเพียรมั่นคงสมจริยาทัลหาทิติความว่า ความประพฤติสม่ำเสมอและความตั้งอย่างมั่นคงทนถาวรของยานใดมีอยู่รถคือพระวรกายนั้นก็จะไปด้วยยานคือความประพฤติเสมอเป็นต้นนั้นมหาบาพิษเพราะเหตุที่รถนั้นย่อมให้ความใคร่ทั้งปวงคือย่อมให้ความใคร่ทั้งปวงตามที่มหาบาพิษปรารถนาฉะนั้นพระองค์ไม่ต้องไปนรกแน่นอน พระองค์ทรงยานนั้นไว้โดยส่วนเดียวพระองค์ไม่ไปสู่นรกด้วยยานเห็นปานนั้นมหาบพิตรตัสข้อใดกับอัตมภาพว่าข้าแต่ท่านนาระทะพอท่านจงบอกทางบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าโดยที่ข้าพเจ้าจะไม่พึงตกไปในนรกด้วยเถิดข้อนี้นั้นอัตมภาพได้บอกแก่พระองค์แล้วโดยอเนกปริยายด้วยประการชนีแล ครั้นนารทะหรือสีแสดงธรรมถวายพระเจ้าอังคติราชให้ทรงละมิจฉาทิฐิให้ตั้งอยู่ในศีลอย่างนี้แล้วจึงถวายโอวาทกับพระราชาว่าตั้งแต่นี้ไปพระองค์จงละปาปมิตรเข้าไปหากัลายาณมิตรอย่าทรงประมาทเป็นนิสแล้วพันานาคุณของพระนางรุจาราชธิดาให้โอวาทแก่ราชบริษัท และทั้งนางสนมกำนันในเมื่อมหาชนเหล่านั้นกำลังดูอยู่นั่นแหลได้กลับไปสู่พรหมโลกด้วยอนุภาพอันใหญ่พระเจ้าอังคติราชทรงตั้งอยู่ในโอวาทของพรหมนารทะละมิชาทิธิบำเพนบุญมีทานเป็นต้นได้เป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงตรัสว่าภิกสุททั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเราก็ทำลายข่ายคือทิฏฐิแล้วทรมานอุรุเวละกัสสะนั่นเองเมื่อจะทรงประชุมชาดกจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ในตอนจบว่าอาลาตะเสนาบดีเป็นเทวทัต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 มหานาร a พรหมโพธิสัตว์เป็นเราตถาคตท่านทั้งหลายจงทรงชาดกไว้ด้วยประการชนีแลอัตถกถาพรหมนาร a ชาดกที่แปดจบ